ทีนี้ก็เลยไปหาการเมสุมิชฌาจาร์เลยนะครับการเมสุได้แก่เมทุนสมาจาร์การประพฤติเมทุนนะครับคือธรรมะของคนขั้วนะบทว่ามิชฉาจาโรได้แก่อาจาระอลลามกที่ท่านตําหนิไว้โดยส่วนเดียวคือมันมันควรแก่การตําหนิจริงๆนะแต่โดยลักษณะเจตนาที่คิดจะล่วงละเมิดอคติมณียฐานฐานะที่ไม่ควรล่วงละเมิด อันเป็นไปแล้วทางกายทวารด้วยความประสงค์จะเสพอสสัตธรรมชื่อว่าการเมสุมิจฉาจารย์คือวัตถุที่ไม่ควรล่วงละเมิดเลยถามว่าใครครับก็คนที่ไม่ใช่มีเรานั่นแหละเป็นวัตถุที่ไม่ควรล่วงละเมิดเลยนะทีนี้บรรดาอัคมนียฐานเหล่านั้นหญิง20่สิบจำพวกนะครับบุรุษไม่ควรไปล่วงละเมิดโดยถ่ายเดียวถามว่า20จําพวกนั้นคือใครบ้าง คือหญิงที่แม่รักษาหญิงที่พ่อรักษาหญิงที่ทั้งแม่ทั้งพ่อรักษาหญิงที่มีพี่น้องรักษานี่ยนะครับพวกนี้นะหญิงที่มีรักษาเป็นต้นนะถึงไม่มีคู่ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้ามีคนเขาดูแลอยู่ก็ละเมิดไม่ได้หรือแม้กระทั่งหญิงที่มีสามีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ระบายไม่ได้เพราะฉะนั้นบุรุษไปล่วงละเมิดหญิงเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นการเมียอย่างเดียวทีนี้หญิงที่ไปละเมิดกับบุรุษนะครับหญิง12ประเภทนะครับ จึงจะเป็นการเมคือหญิงที่มีราขาหญิงที่มีอาญ า, า, ารอบด้านหรือหญิงที่หญิงที่เป็นพันยาของคนอื่นไปล่วงกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีตนนะครับอันนั้นก็เป็นการเมสุมิจฉาจานนะครับนะครับผู้ชายหนุ่มเสเพลทั้งหลายแหละนี่ก็การเมใช ส, ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คือเว้นจากพันยาของตนน่ะ น, นะก็การเมหมดนะครับ ส่วนผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีคนห่วงเหหวงแหนห่วงท่ามอยู่แล้วก็ไปล่วงละเมิดนะครับคือมีเจ้าของอยู่แล้วก็ไปล่วงละเมิดอันนี้ก็เป็นการเมย์เหมือนกันมิฉาจานนี้นั้นชื่อว่ามีโทษน้อยในเพราะอักขมนียฐานที่เว้นจากคุณความดีมีศีลเป็นต้นนะครับก็ว่าไปส่องเซบกับคนไม่มีศีลเนี่ยนะครับก็บาปน้อยหน่อยนะครับชื่อว่ามีโทษมากเพราะถึงพร้อมด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นนะครับ ไปการเมฆกับคนมีศีลมีธรรมก็บาปมากหน่อยอันหนึ่งแม้ในอคคมณียฐานที่ปราศจากคุณความดีมิจฉาจารของผู้ประพฤติเพราะคมคืนก็มีโทษมากนะครับแต่เชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะคนทั้งสองมีชันท่ร่วมกันถ้าต่างฝ่ายต่างพอใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับก็บาปน้อยหน่อยแต่ถ้ า, าว่าไปคมคืนก็บาปมากหน่ยนะครับถามว่าบาปแค่ไหนนะครับก็ไปดูเรื่องเปรตทุ่สาน้าโสเอากันแล้วกันนะครับ จมลงไปสามหมื่นปีโผล่ขึ้นมาอีกสามหมื่นปีจมไปอีกสามหมืนปีโผลขึ้นมาไม่รู้กี่รอบนะครับถึงเมื่อคนทั้งสองจะมีฉันทาร่วมการกาเมสุมิจฉาจานชื่อว่ามีโทษน้อยและกิเลสและความพยายามอ่อนชื่อว่ามีโทษมากเพราะกิเลสและความพยายามแรงกล้านะครับกิเลสมันมีกําลังมากจริงๆนะครับถึงจะพอใจเต็มใจด้วยกันมันก็บาปมากนะครับเพราะว่าโลภานี่มันมีโทษอยู่แล้วนะครับ แค่คิดก็บาปแล้วนะนะครับน่าผ่านนะพระวิจารณ์องคนี้มากไม่ดีการเมสุมิชาจารนั้นะมีองค์สี่นะครับคืออคคมนียวัตถุวัตถุที่จะต้องล่วงละเมิดหรือล่วงเกินนะครับอย่างหนึ่งสองตัถะเสวนจิตตังจิตคิดจะเสพในอคคมนียวัตถุนั้นสามเสวนประโยคโครประโยคในการเสพมัคเณมัคขปฏิปฏิอธิวาสนางการอย่างมัค ให้ดําเนินไปในทางมรรคหรือหยุดอยู่เป็นต้นเนี่ยนะครับยินดีในการเข้าการเข้าถึงการหยุดอยู่การชักออกเป็นต้นเนี่ยนะยินดีตอนนั้ตอนหนึ่งก็หมดนะครับเป็นพระก็ประราชิกเลยนะครับบางคนประราชิกด้วยการมีสุมิชขาจารย์ด้วยนี่หนักคลิกนะครับนะก็มีนะครับก็พัญญาชาวบ้านเขามาวัดอ น, นะก็พระก็ประราชิกด้วยการเมอีกโอ้หนักน่าสาหัสนะครับนนะก็มีข่าวออกมาให้ได้ยินอยู่เหมือนกัน คนพวกนี้ก็มีโทษนะครับบาปอยู่แล้วนะครับส่วนของผู้ที่ให้เป็นไปโดยพระการมีองค์สามนะครับแต่พึ่งเห็นว่าท่านถือเอาองค์สี่โดยไม่มีส่วนเหลื อ, อ, อพระที่ทำประชิกในการนี้อย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้นะฮะหลักฐานนี่จะตกเอาไปจีอย่างนี้ใช่ไหมฮะคื อ, อต้องต้องดูว่า อ่าก่อนตายของเขานะครับคือถ้าไม่ศึกนะครับตกนรกแน่นอนครับครับเขาไม่ศึกนะถ้ า, ายังคงถ้าไม่ศึกนะอันนี้ตกนรกแน่นอนนะครับตกแน่นอนระบวโบด้วยไหมว่าอเวจีก็แถวๆนั้นอยู่แล้วนะครับว่า<ม>ที่อื่นก็ที่ไหนก็บริวานแถวๆนั้นแถวๆนันมันมันเป็นไม่ได้ไหมว่ามันหนักพอๆกับอนันตริยกรรมหรืออะไรเงี้ยฮะคือพระที่ประชิกแล้วไม่ยอมเสื่อมเขยังคงปฏิญญาว่าตนเองเป็น สมณะอยู่ยินดีการกราบไหว้ยังคงบใบโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านอยู่จนตลอดชีวิตจนตายค่ะพระเหลืองเนี่ยครับก็คือที่ไม่เรียกอนันตริยกรรมในเพราะว่าสามารถแก้ตัวได้คือแก้ตัวก็คือด้วยการศึกเป็นต้นนะครับโดยการศึกแล้วก็ไปมีศีลมีธรรมนะครับแล้วก็ชาวณชั่มะจิตก่อนตายได้ก็ก็พ้นได้แต่ถ้าหากว่าไม่ศึกนะครับไม่ศึกเนี่ยก็ยากนะครับ ทุกขติก็หวังได้นะครับแล้วก็พระองค์ตรัสไว้น่าจะร้ายแห่งมากนะครับผู้ที่ทุศีลแล้วก็ปฏิ ญ, ญาณตนถึงกับพระองค์ตรัสว่านะไปกอดกองไฟเป็นต้นยังจะดีกว่าไปกินก้อนเหล็กแดงๆเป็นต้นยังจะดีกว่าแล้วก็บางแห่งก็บอกว่าตกนรกเป็นไม่รู้กี่ร้อยอัตภาพนะครับท่านก็โทษหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับนี้แต่ท่านก็ขาดความกรุณาต่อตัวเองนะครับเนื่องจากกรรมสกตาไม่มี นะครับคือคนถ้าทุศีลแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดเรื่องตารรมแล้วนะครับถ้ายิ่งคิดก็ตัวเองนั่นแหละจะเป็นคนรับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะปกปิดกลบเกลื่อนนะครับแล้วก็อยู่ในพุท ศ, ศาสนาก็เกลียธุรีลงในพุทศาสนามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโทษหนักนานะัน้ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิให้ดีบดว่ามุสาได้แก่กายะประโยควจีประโยคที่มุ่งหักรานประโยคของผู้จะมุ่งกล่าวให้ผิด เจตนาที่ยังกายประโยคและวจีประโยคในการกล่าวให้ผิดต่อผู้อื่นของผู้นั้นด้วยความประสงค์จะกล่าวให้ผิดชื่อว่ามุสาวาทคือเรื่องจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่ประสงค์จะให้คนอื่นเข้ารู้อย่างอื่นแทนนะครับไม่อยากให้คนอื่นเข้ารู้ความจริงโดยที่คนอื่นเข้าเสียประโยชน์นะครับลักษณะนี้เป็นมุสาวาตนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องที่ไม่เป็นจริงชื่อว่ามุสาวาต การยังผู้อื่นให้เข้าใจเรื่องที่ไม่เป็นจริงนั้นว่าจริงว่าแท้ก็ชื่อว่าวาทะเพราะฉะนั้นเจตนาของผู้ประสงค์จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงว่าจริงที่ยังประโยคในการให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นให้ตั้งขึ้นชื่อว่ามุสาวาทเมื่อกี้ผมฟังดูเหมือนยังกับว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เสียประโยชน์ก็ไม่ชื่อว่ามุสาวาทอะไรจะย่างนั้นนะคือเน้นว่าถ้าอย่างนั้นอาบาปมาก นะครับในชั้นต้นนนะให้เห็นชัดเจนว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบาปมากเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปว่ามูสาวาตนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะประโยชน์ที่ตนจะหักล้านนั้นนะมีน้อยแต่ที่จริงคนอื่นก็เสียประโยชน์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่ให้เขารู้ความจริงอ่ะนะเขาก็เสียประโยชน์แล้วใช่ไหมครับเพราะได้ยินคําเท็จอ่ะนะต่อไปนะจะมีตัวอย่างเช่นว่าชื่อว่ามีโทษมากเพราะประโยชน์ที่ตนหักร้านเนี่ยมีมากอีกอย่างหนึ่งสําหรับเครือขัน มุสาวาทที่เป็นไปแล้วโดยนายเมียที่ว่าไม่มีนะครับคือคนอื่นเข้ามายืมของเนี่ยนะเพราะไม่ประสงค์จะให้ของของตนแก่ผู้อื่นอย่างเงี้ยก็มีโทษน้อยก็บาปน้อยๆหน่อยนะครับเช่นยืมสื้อตังน่อยไม่มีอย่างเงี้ยลักษณะนี้แหละครับชื่อว่าบาปน้อยแต่ที่กล่าวโดยเป็นพยานหักล้างผลประโยชน์อันนี้ชื่อว่ามีโทษมากไปเป็นพยานโกงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็บาปมากหน่อยแต่ถ้าสําหรับบรนประชิดพระเนี่ยนะครับ มุสาว่าที่เป็นไปแล้วโดยนัยแห่งปุรณะกถาว่าวันนี้ที่บ้านน้ำมันเห็นจะไหลไปเหมือนแม่น้ำโดยประสงค์จะหัวเราะเพราะได้น้ำมันหรือเนยใสยนิดหน่อยอย่างนี้ชื่อว่ามีโทษน้อยเช่นนะไปบินธบาติน้ำน้ำมันเนี่ยนะไปบินทบาติน้ำผึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมไปแล้วกลับมามันได้มันหน่อยเดียวนะสงสัยบ้านนี่น้ำน้ำผึ้งมันท่วมหมดแล้วว่างั้นไะง คือปุรนาคาถาคำพูดลักษณะนี้นะครับก็บาปน้อยหน่อยเออผมสงสัยเรื่องการบินาบาัตน้ํามันหรือเพศสเนี่ยนะสมัยนี้เราไม่มีเราลับหลับตาเนื่องถึงภาพไม่ออกสมมุติว่าเกิดถ้าเราเป็นพระเนี่ยนะฮะเราเกิดจําเป็นที่จะต้องมีน้ํามงน้ํามันจะต้องใช้จะต้องไบโภคเนะี่ยนะครับเป็นโลกเป็นภัยแล้วทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะอุ้มบาตไปเนี่ย คิดว่ามันจะได้ไหมครับแล้วก็พระท่านท่านต้องบอกด้วยไหมว่าท่านต้องการอะไรอะไรเงี้ยถ้าเขาถามก็บอกได้นะครับอ๋อแต่ห้ามเอ่ยปากครับคือที่จริงนะถ้าป่วยจริงๆก็ขอได้ถ้าป่วยจริงๆเนี่ยป่วยจริงๆริงในเพศัชเนี่ยขอได้นะครับสําหรับยานะยานี่วินิจฉัยได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับ แต่เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เห็นเลยโดยนายเมียที่ว่าได้เห็นมูสาวาจชื่อว่ามีโทษมากนะเช่นเห็นไหมก็บอกไม่เห็นได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะครับประสงค์จะมูสาวาจแบบนี้มีโทษมากของ พ, พระภิกษุนะเชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้ที่ตนหักลานประโยชน์เนี่ยมีโทษมากนะครับเช่นไปหลอกคนมีศีลมีธรรมด้วยก็ยิ่งมีโทษมากเพราะฉะนั้นในคำพีเนี่ยนะครับมีสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงว่า ผู้ที่ไปปวารณาสมณะพราหมณ์ไว้นะครับแล้วก็ไม่ให้อย่างที่ที่ปวารณาไว้นะครับแม้กระทั่งการค้าขายก็วิบัตินะก็ที่ภาษาลิบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าทําไมบางคนค้าขายแล้วก็ร่ํารวยนะครับบางคนค้าขายก็ขาดทุนบางคนค้าขายก็เสมอทุนบางคนก็เกินกว่าที่คาดคิดไว้มหาศาลนะไปถามพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ตรัสว่าเนื่องจาก บางคนไปปรวรณาสมณพราหมณ์นะครับปรวรณาสมณพราหมณ์ว่าจะให้อย่างเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ให้นะครับอันนี้แหละเป็นเหตุให้ค้าคายขาดทุนนะครับถ้ายิ่งไปตั้งใจมุสาวาท ด, ด้วยแล้วว่าจะเอาโน่นมาให้โดยที่หลอกนะครับคือคือจะไปหลอกตั้งแต่แรกแล้วอันนี้มีโทษมหาหันเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้หลอกอะไรว่าจะให้แต่ก็ไม่ให้วันหลังคิดเปลี่ยนใจไม่ให้ซะเป็นต้นลักษณะนี้ก็เป็นปัจจัยให้ค้าขายแล้วก็ขาดทุนนะครับ ส่วนบางคนนั้นปวารณาแล้วก็ให้เหมือนกับที่เอ่ยปากไว้ก็จะได้เหมือนอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับเวลาทำการค้าขายเป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็ปวารณาไว้หน่อยเดียวแต่ก็ทำเกินมากกว่าที่ที่ตัวเองนั้นปวารณาไว้ลักษณะนี้ก็ทำให้ได้กำไรมหาศาลอรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการค้าขายของแต่ละคนนั้นผลของการค้าขายไม่เท่ากันเนื่องจากว่าเวลาทาเหตุทาเหตุมาไม่เหมือนกันนะครับ องคของมุสาวาทนั้นมี4คืออัตตังวัตถุคือเรื่องไม่จริงอย่างหนึ่งนะครับ 2. วิสังวาธนาจิตตังจิตคิดจะพูดให้ผิด 3. ตัดโชวาโยโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้น 4. ประสะตะตทะถะวิชานานังการให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นนะครับจึงอยู่แม้การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นพึงทราบว่าเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่ง เพราะเมื่อทําประโยคกล่าวโดยประสงค์จะพูดให้ผิดเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจเนื้อความนั้นการพูดให้ผิดก็ไม่สําเร็จความประสงค์คือหมายความว่าพูดเสร็จเขาเข้าใจทันทีเลยนะครับแต่เขาเข้าใจว่าเราพูดแบบนั้นนะนะเขารู้ว่าเราม้สาไม่ม้สาเนี่ยไม่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาสำคัญว่าเช่นเราแสดังในกระเป๋าเรามีอ่ะนะครับแต่เราพูดว่าไม่มีเ้าฟังและเข้าใจทันทีเลยนะครับออย่างนี้แหละครับเรียกว่าสําเร็จแล้วหมายความว่า ครบองค์แล้วนะครับเป็นมุสาวาทแล้วแต่ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยังไม่ครบองค์ออในกรณีค้ขาขายขาดทุน dental, หรือได้กําไรเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกกรณีด้วยไหมที่การได้กําไรหรือขาดทุนเนี่ยอยู่ตรงที่การภาวนาหรือไม่ภาวนาในในอดีตหรือตอนไหนก็แล้วแต่เถอ ควรควรจะเป็นอย่างนั้นไหมครับว่าทุกกรณีเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมมันจะเกี่ยวกับประโยค่าในปัจจุบันด้วยไหมครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเหตุในอดีตทําไว้วิบัตินะครับกรรมมันจะให้ผลทําให้คิดวิบัติหมดเลยคือทําให้ประโยค่วิบัติด้วยนะครับเช่นถ้ากรรมมันจะให้ผลนะจะทําให้คนนั้นประโยค่วิบัติยกตัวอย่างที่พระเทระรูปหนึ่งถือบาตรจีวรตามพระผู้มีพระภาคเสด็จไปกับพระผู้มีพระภาค แล้วก็ไปเจอทางสองแพ่งนะครับเจอทางสองแพ่งแล้วพระองค์ก็จะไปอีกทางหนึ่งพระพิสุเทลารูปนั้นก็จะไปอีกทางหนึ่งเ็เห็นว่าทางนี้มันเป็นทางรัดพงษ์บอกว่าอย่าไปเลยทางนั้นเนี่ยนะพิสุนั้นก็อ้อนวอนอยู่หลายครั้งหนักๆเข้าก็วางบาทวางจีวรของพระผู้มีพระภาคไว้ตรงนั้นแหละตัวเองก็เดินไปทีนี้พอเดินไปนนเนี่ยก็โจรเนี่ยทุบเลยนะครับโจรเนี่ยทุบบาทแตกสังกติขาด เลือดโชคอาบมาหาพระผู้มีพระภาคซึ่งพระองค์ก็นั่งรออยู่พระองค์ก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าการรมมันจะให้ผลก็จะหนักแบบนั้นทําให้ประโยค้าบิบัติทําไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่บอกะเลยอ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่เชื่อง่ายๆหรอกครับ <c oughs> นะเพราะว่าถ้าหาว่าเขาเไปมีจิตอย่างอื่นต่อพระผู้มีพระภาคก็ก็มีโทษนะครับเ <c oughs> <อ>พราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะไม่บอกนะครับ ที่ไม่บอกนี้เพราะไม่เกิดประโยชน์อย่างใดเลยเพระองค์ยังไม่ตรัสนะครับสิ่งที่พระองค์รู้นี่มีมหาศาลแต่ที่พระองค์ไม่ตรัสเนี่ยนะครับมีเยอะแยะเนื่องจากตรัสแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เห็นว่าเออกรรมนี่นะมันจะให้ผลแล้วเนี่ยนะอยู่ใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ก็ยังไม่รู้จ ะ, ะช่วยไม่ได้หรือพระโมคคัลลานะเนี่นะครับเป็นอัครสาวกข้างซ้ายที่เลิศไปด้วยฤทธิ์นี่นะพอกรำร ม, มันจะให้ผลจริงๆเนี่ยนะครั บ, รบยังไงก็เลี่ยงไม่พ้น เพราะฉะนั้นเหตุไกลในอดีตเนี่ยนับว่าสําคัญมากนะครับส่วนประโยค่าเนี่ยเป็นเหตุใกล้แต่ถ้ากรรมมันหนักหนาสาหัสจริงๆประโยค่าก็ต้องวิบัตินะครับมันทําให้คิดวิบัติไปหมดนะคะเอานึกถึงเรื่องเปลดนะฮะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยออตอนทีพ่พระมหาโมกขลานะยังไม่ไม่มาถามาองค์ก็จะไม่ตรัสถึงเลยใช่ไหมครับครับผมเพราะว่าถ้าหาว่าตรัสไปแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เชื่อแล้วก็ดุห ม, มิ่นเนี่ยฮะ ในเชิงดูมิ่นเนี่ยก็จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมต่อผู้พูดจริงๆครับ <ผม S 1> อันนี้คงจะเป็นอย่างนั้นฮะแต่ในเรื่องเรื่องประโยชค่าเนี่ยผมผมนึกถึงอ่ามันมีร้าน ข, ขายเครื่องสังกะพันอยู่ร้านหนึ่งไงนะจนเมื่อเมื่อก่อนตอนผมเป็นเลนเล็กๆเนี่ยครับเข้าไปเนี่ยเข้าไปใช้ใบริการนีฮะเอ่อคนคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขพูดจะมันไม่น่าฟังต้อนรับก็ไม่ดีเลยเนี่ย แล้วก็มันก็เลยเป็นเป็นเหตุที่ทาให้คนเป็นส่วนใหญ่ที่ไปเข้าร้านนั้นเนี่ยจะเข็ดขยะกันเราไม่ยอมเข้าไปกันแล้วก็พอมาจนถึงรุ่นลูกของร้านนั้น น, นนะครับผมก็เข้าไปอีกตอนไม่ไม่นานมานี้เองเนี่ยนะลูกร้านเขาก็ยังคงรักษานิสัยดั้งเดิมอย่างนั้นเอาไว้เอกนะ <c oughs> <c oughs> ก็ทำให้เข็ดขยะที่จะไม่เหยียบย่างเข้าไปร้านนันนั้นเองนะครัก็เลยชักสงสัยว่าเอ๊ะมันจะ กรเก่าอย่างเดียวหรือประโยค่าปัจจุบันด้วยก็ด้วยแต่เขาก็ต้องมีบุญระดับหนึ่งนะครับร้านเขาจึงอยู่ได้นะครับถึงขนาดประโยค่าวิบัติทักทายไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะร้านก็ยังอยู่ได้นะครับก็แสดงว่าทําเหตุมาดีพอสมควรนะครับขนาดพูดจ้าไม่ได้รับแขกเลยนะก็ยังยังอยู่ได้เนะี่ยก็นับว่ามีบุญมากอยู่เหมือนกันนะครับ ทีนี้กล่าวไปนะครับว่าส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่ามูสาวาตมีองค์ประกอบ3คือเรื่องไม่จริงนะครับจิตคิดจะพูดไม่จริงแล้วก็การให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อความนั้นนะครับก็ถ้าบุคคล น, นั้นพิจารณาแล้วจึงรู้ความหมายนั้นนะครับในภายหลังะนะพูดมาตั้งนานนี่เดินคิดจนอ๋อเพิ่งเข้าใจอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยศีลยังไม่ขาดนะครับเพราะคนฟังไม่เข้าใจอย่างนั้นนไง คือศีล ไ, ไ, ไม่ขาดไม่ครบองค์กรรมบทแต่ไม่ใช่ไม่บาปนะบาปมันก็บาปละแต่ก็ยังไม่ชื่อว่าล่วงวจีทุจริตนะครับแต่ก็ชื่อว่าผิดศีลแล้วเป็นอกุศ ล, ละกะอกุศลแล้วนะครับคือที่กล่าวเอาองค์เป็นต้นมาจับเนี่ยให้รู้ว่าถ้าครบองค์นี่นะครับนำเกิดได้นำปฏิสนธิในอบายได้นะครับทีนี้ต่อไปศีลห้าเลยนะครับคือการดื่มสุรา ก็ได้แก่สุรามีห้าอย่างนะครับสุรามีหชนิดคือสุราที่ทําด้วยแป้งอย่างหนึ่งสุราที่ทําด้วยขนมสุราที่ทําด้วยแป้งเขาเรียกว่าปิดถะสุราส่วนสุราที่ทําด้วยขนมเรียกว่าปูวะสุราแล้วก็สุราที่ทําด้วยข้าวสุกเรียกว่าโอทะสุราแล้วก็กินนัปักขิตาคือสุราที่เติมด้วยสาเล่าสัมภาระสังยุตตาสุราที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงนะครับ สุราก็มีหลายชนิดนะ น, นะสรุปแล้วลไ่่่่่่ั่่่่่่่ะะ่ือเ่่เ่่่่่่ะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อ, วววว อ, งงอ่่่่ะะ่่่่่้่ย่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่ว่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่เป็ น, เ, เ, ปนเป็นพวก น้ำหมักเป็นน้ำเมาได้นะครับคุลาสะวะคือเครื่องดองด้วยน้ำอ้อยงบนะครับสัมภาระสังยุตะเครื่องดองที่ประกอบด้วยเครื่องปรุงนะครับพอพูดถึงไอ้พลาสะวะนะครับเครื่องดองด้วยผลไม้มันมีบางวัดนะนะีมีบางวัดซึ่งกล้วยมันเยอะกล้วยมันเยอะก็ไปปอกกล้วยนะมาใส่ไหก็หาแป้งมาใส่นะครับมั่งเอาได้เหมือนกันนะพระเนี่ยนะบางองค์นะครับเอาเล่าให้ฟังกันนะ เอ อ, เ อ, อขนาดนั้นเหมือนกันนะครับแม้สองอย่างนั้นก็ชื่อว่ามัชชะนะครับเพราะอาจว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาทั้งหมดเนี่ยก็คือชื่อว่าน้าเมาทั้งนั้นแหละครับนะครั บ, นะรบทั้งสุราและเมรัยนะครับก็เป็นของหมักดองเหมือนกันขออนุาตนะครับแม้ทั้งสองอย่างนะครับชื่อว่ามัชชะ คือทั้งสุราทั้งเมรัยเนี่ยนะเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาเหมือนกันเจตนาเป็นเหตุดื่มน้ําเมานั้นชื่อว่าปมาทฐานะเพราะเป็นเหตุแห่งความประมาทนะครับบางคนก็บอกแหมดื่มเหล้าแล้วทําไมไปเบียดเบียนใครเป็นต้นคงไม่เป็นไรมั้งแต่ว่าขณะนั้นตัวเองก็ประมาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็บาปตรงที่ประมาทนี่แหละแต่โดยลักษณะเจตนาที่ประมาทอันเป็นไปแล้วทางกายทวัร ด้วยสามารถแห่งความมึนเมาเริ่มแต่เชื่อน้ําเมากล่าวคือสุราและเมรยัยตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าสุราเมรยะมัชชะปะมาทฐานนะครับสุราเมรยะมัชชะปะมาทฐานในมีองค์ประกอบอยู่4อย่างนะครับหนึ่งมัชชะพาวะความเป็นน้ําเมาของเนี่ยเป็นของมึนเมาละปาตุก ร, รมมยตาจิตตังจิตแค่จะเดิม ตัชโชวายาโมความพยายามอันเกิดแต่จิตนั้นแล้วก็อัดโชหระนังนะครับกลืนให้ล่วงลำคอไปก็ภาวะที่สุราเมระยะมัชชาปมาทฐานนั้นมีโทษโดยส่วนเดียวเพราะเขาดื่มด้วยจิตเป็นอกุศลอย่างเดียวนะครับดันั้นใครคิดจะดื่มก็บาปหมดนะครับแต่สุรานั้นไม่ไหลเข้าไปในปากของพระอริยะสาวกทั้งหลาย ท, ทั้งที่ไม่รู้วัตถุว่าเป็นน้ำเมา ท่นใครจะไปเจือจางน้ำเหล้าให้ท่านเดิมเนี่ยนะครับพอเข้าปากของท่านเนี่ยนะไอฤทธิ์เหล้าเนี่ยมันหายหมดเลยนะครับจะป่วยกล่าวไปยัยถึงรู้อยู่เพราะฉะนั้นเจตนาเป็นเหตุผิดศีลห้าของท่านไม่มีจริงๆการดื่มน้ำเมาเพียงเล็กน้อยก็มีโทษน้อยการดื่มน้ำเมาเพียงครึ่งอัลหั ก, กะมากกว่าน้ำเมาเล็กน้อยนั้นก็มีโทษมากก็คือถ้าดื่มกรึบหนึ่งมันก็บาปน้อยกว่ากว่าเป็นกงอะนะเป็นกงเป็นขวดเป็นอะไรไป ะะเมื่อเดิมน้ำเมามากแล้วยังสามารถให้กายเคลื่อนไหวไปทำกรรมมีการปล้นชาวบ้านเป็นต้นก็มีโทษมากทีเดียวเพราะว่ามันสามารถไปทำผิดศีลผิดธรรมอย่างอื่นนะครับปานาธิบาตอธินนาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาวาดก็อาศัยเล่านี่แหละครับมันเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆนะครับคนดีมีคุณธรรมเนี่ยก็เสียหายหมด พูดถึงภาษาคตานะครับมีริศเนี่ยนะครับพอตื่นเล่าแดงเข้าไว้เนี่ยนะครับโอ้เมาหันหัวหันเท้านะครับหันเท้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะปกติเนี่ยทนะาไม่เมาเนี่ยโอ้เคารพจริงๆนะครับขนาดมีริศมีเดชก็เสียหายหมดนะครับเขาบอกว่าสู้แม้กระทั่งงูกินปลาก็สู้ไม่ได้นะแต่ว่าสู้หน้าคราชเลยนะครับในกรณีที่โยมเขาทํางานมาทั้งวันหนักๆเนี่ยนะมัน มูยมันปวดเนื้อครั่นตัวไปหมดเนี่ยนะครับแล้วเขาได้กินแล้วสักคึบหนึ่งเนี่ยนะมันก็รู้สึกว่ามันส่างซา<ม>เขาก็ถือว่าเขากินเป็นยาอย่างนี้เนี่ยฮะจะเชื่อว่าบาปมากบาปน้อยอยังไงก็ก็คงบาปน้อยกว่ากินเพื่อความบันเทิงเพื่อความลื่นเลืองเป็นต้นเ<ม>ชื่อไหมครับว่านี่ก็สะสมนิสัย ดื่มน้ำเมาไปอีกนะครับอืแต่ก็ถ้าเทียบ ว, ว่าถ้าเหตุผลแค่นั้นนะครับนะก็ถามว่าดื่มแล้วขณะที่ดื่มเป็นกุศลไม่ล่ะมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วทีนี้ก็ถ้าเทียบกับอย่างอื่นเนี่ยนะบาปน้อยกว่ากินเลี้ยงสังสรรค์เป็นต้นนะครับไม่ใช่เราดื่มเบญญ์ ย, ย่าเนี่ยครั บ, รบมันก็บาปน้อยกว่าอย่างอื่นนะนะครับก็ทําอกุศลแล้ว ย, ยังจะไม่ให้บาปอีกนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไง นะนะถ้าเทียบกับอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยนะครับก็บาปน้อยกว่าละทีนี้ในการทําผิดศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับการทําชั่วในพระขีณาสพถึงขั้นปานาติบาตมีโทษมากถ้าค่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยบาปหนักนะครับเป็นอนันตริยกรรมการทําชั่วในสํานักของพระขีณาสพถึงขั้นอาธินาทานก็มีโทษมากนะครับไปลักขโมยของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ บาปรกรรมในเพราะการล่วงเกินภิกษุณีผู้เป็นขีณาศพถึงขั้นมิจฉาจารก็มีโทษมากเหมือนนันทรรมานพไปข่มขืนพนางอุบลวรร น, นาเทรีนี่นะครับถ้าอย่างนี้ก็บาปมากนะครับการทำชั่วในเพราะการทำลายสง์ให้แตกการด้วยมุสาวาทถึงขั้นมุสาวาทเนี่ยมีโทษมากนะครับไปมุสาวาทจนสงแตกแยกกันนะครับการทำชั่วในเพราะกรรมมีการดื่มน้ำเมามากจนสา ม, มารถให้กายเคลื่อนไหว ปล้นฆ่าชาวบ้านเป็นต้นเพราะสุราบาลมีโทษมากก่อนอนุญาตไ อ, อ้สังฆเพศเนี่ยบอกว่าชาวบ้านทําไม่ได้ไม่ใช่เลยครับแต่ว่าทําไมตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าสังฆเพศพระด้วยมุสาวาตก็พูดถึงพระภิกษุ ด, ด้วยนะครับแต่ของคารวทาททั้งหลายก็เรียกสังฆราชีนะครับนะก็ก็บาปรองรองรองรองอ่า สังกเภทแต่นี้ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะครับนี่พูดรวมๆทั่วๆไ ป, แ, ป, ปแม้พระภิกษุด้วยก็ได้นะครับจะเป็นประเภทเราประยุยงให้พระแตกก็ส่วนหนึ่งนะครับก็รองรองกับสังกเภทนะครับอไปด้วยสอเสียดเนี่ยนะมุสาวาต ส, าาสา่อเสียดกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าคารวาตอย่างเดียวนะครับแต่นี่ก็วินิจฉัยรวมๆนะครับการทําส่งให้แตกกันด้วยมุสาวาตอย่างเดียวมีโทษมากกว่าบาปประกำรรเหล่านั้นแม้ทั้งหมดนะครับ เพราะว่าผู้ทําสังฆเภศนั้นย่อมหมกไหม้ยอยู่ในนรกตลอดกลับนะครับโอ้หนักหนาสาหัสนะทสทรงให้แตกแยกกันเนี่ย